๙อธิกรณะวูปะสมณะสมถะว่าด้วยการระงับอธิกรสำ ม, มุขขาวิัยวิวาธาธิกรระงับด้วยสมถะสองอย่างวิวาธาธิกรย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไรวิวาธาธิกร ย่อมระงับด้วยสมถะสองคือหนึ่งสัมมุขาวินยัยสองเยพุยยสิกาบางทีวิวาธาธิกรไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่งคือเยพุยยสิกาพึงระงับด้วยสมถะอย่างเดียวคือสำ ม, มุขาวินยัยบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมวิวาสกันว่า 1. นนี้ธรรมนี้อาธรรม 2. นี้วิไนนี้มิใช่วิไนัย 3. นี้ตถาคตพาสิทไว้ตรัสไว้นี้ตถาคตไม่ได้พาสิทไว้ไม่ได้ตรัสไว้ 4. นี้จริยาวัดที่ตถาคตได้ประพฤติมา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 นี้อาบัตชั่วอยากนี้อาบัตไม่ชั่วอยากภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพวกนั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้นี้เรียกว่าอาธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวินัยในสัมมุขาววินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลอันหนึ่งความพร้อมหน้าสงในสำ ม, มุขาวินัยนั้นอย่างไรภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไรภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกันนำฉันทะของผู้ควรฉันทะมา ผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าสองในสัมมุขาวินัยนั้นอันหนึ่งความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไรอธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรมโดยวินยัยและโดยสัตรุศาสตร์ใดนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัยในสั ม, มุขาวินัยนั้นอันหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสั ม, มุขาวินัยนั้นอย่างไรโจดและจำเลยทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้ในคดียอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขขาวินัยนั้นภิกษุทั้งหลาย ถ้าอธิกรณ์ระงับอย่างนี้ผู้ทำหรือฟืนต้องอาบัติปาจิตตีที่หรือฝืนผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัติปาจิตตีที่ติเตียนผู้ทำหรือฟืนต้องอาบัติปาจิตตีที่หรือฝืนผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัติปาจิตตีที่ติเตียน ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถระงับอธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้พวกเธอพึงไปสู่อาวาสที่มีภิกษุมากกว่าถ้าพวกเธอกําลังไปสู่อาวาดนั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้ในระหว่างทางนี้เรียกว่าอาธิกรณ์ระงับแล้ว อาทิกรระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวินยัยในสั ม, มุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสง์ความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลอันหนึ่งความพร้อมหน้าสง์ในสั ม, มุขาวินัยนั้นอย่างไรภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไหร่ ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกันนำฉันทะของผู้ควรฉันทะมาผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าสงในสมมุขาวินัยนั้นอันหนึ่งความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยในสมมุขขาวินัยนั้นอย่างไรอธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรมโดยวินยัย และโดยสัสตว์ทุสากใดนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสัมมุขาวินัยนั้นอันหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไรโจดและจำเลยทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นภิกสุทั้งหลายถ้าอาธิกรระงับอย่างนี้ผู้ทาหรือฟื้นต้องอาบัตปาจิตตีที่หรือฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียนภิกสุทั้งหลายถ้าภิกสุเหล่านั้นกำลังไปสู่อาวาสนั้น ไม่สามารถระงับอธิกรนั้นในระหว่างทางได้พวกเธอไปถึงอาวาสนั้นแล้วพึงกล่าวกับภิกษุที่อยู่ประจำในอาวาสว่าท่านทั้งหลายอาธิกรนี้เกิดแล้วอย่างนี้อุบัติแล้วอย่างนี้ขอโอกาสท่านทั้งหลายจงระงับอธิกรนี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตธุศาสตร์ ตามวิถีทางที่อาิตกรนี้จะระงับด้วยดีภิกษุทั้งหลายถ้าพวกภิกษุที่อยู่ประจำในอาวาสเป็นผู้แก่พัรษากว่าพวกภิกษุอาคันตุกะอ่อนพันษากว่าพวกเธอพึงกล่าวกับพิกษุอาคันตุกะว่าท่านทั้งหลายขอนิมนท่านทั้งหลายจงรวมอยู่ณที่สมควรสักครู่หนึ่ง ตลอดเวลาที่พวกผมจะปรึกษากันแต่ถ้าพวกภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสเป็นผู้อ่อนกว่าพวกภิกษุอาคันตุกะแกกว่าพวกเธอพึงกล่าวกับภิกษุอาคันตุกะว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงอยู่ณที่นี้สักครู่หนึ่งจนกว่าพวกผมจะปรึกษากันภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสกาลังปรึกษาคิดกันอย่างนี้ว่าพวกเราไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวิไนและโดยสัตวศาสตร์พวกเธอไม่พึงระงับอธิกรณ์นั้นไว้แต่ถ้ากําลังปรึกษาคิดกันอย่างนี้ว่าพวกเราสามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัย และโดยสัตวุสัตว์พวกเธอพึงกล่าวกับพวกภิกษุอาคันตุกะว่าท่านทั้งหลายถ้าพวกท่านจากแจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้วตามที่อุบัติแล้วแก่พวกเราเหมือนอย่างพวกเราจะระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินยัยและโดยสัตว์สัตว์ฉันใดอธิกรณ์นี้จะระงับด้วยดีฉันนั้น อย่างนี้พวกเราจึงจกรับอธิกรณ์นี้ถ้าพวกท่านจากไม่แจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้วตามที่อุบัติแล้วแก่พวกเราเหมือนอย่างพวกเราจากระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวิไนและโดยสัตวศาสตร์ฉันใดอธิกรณ์นี้จะไม่ระงับด้วยดีฉันนั้นพวกเราจะไม่รับอธิกรณ์นี้ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุที่อยู่ประจาในอาวาสพึงรอบคอบอย่างนี้แล้วรับอธิกรณ์นั้นไว้พวกภิกษุอคันตุกะนั้นพึงกล่าวกับพวกภิกษุที่อยู่ประจาในอาวาสว่าพวกผมจะแจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้วตามที่อุบัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายสามารถระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัย และโดยสัตว์ศาสตร์ระหว่างเวลาเท่านี้ได้อธิกรณ์จะระงับด้วยดีเช่นว่านั้นอย่างนี้พวกผมจะมอบอธิกรณ์นั้นแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้โดยทาโดยวินัยและโดยสัตธุศาสตร์ระหว่างเวลาเท่านี้ได้อธิกรณ์จะไม่ระงับด้วยดีเช่นว่านั้น พวกผมจะไม่มอบอธิกรณ์นี้แก่ท่านทั้งหลายพวกผมนี้แหละจะเป็นเจ้าของอธิกรณ์นี้ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุอาคันตุกะพึงรอบคอบอย่างนี้แล้วจึงมอบอธิกรณ์นั้นแก่พวกภิกษุที่อยู่ประจำในอาวาสภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้น สามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้นี้เรียกว่าอาธิกรณ์ระงับดีแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวินยัยในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลภิกษุทั้งหลาย ถ้าอาธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำหรือฟื้นต้องอาบัตปาจิตติที่หรือฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตติที่ติเตียน